ในลาดับต่อไปเป็นเวลาเจริญจิตภาวนาและวิปัสสนาภาวนาด้วยเพื่ออบรมจิตใจของตนถ้าจิตภาวนาก็เพื่อให้สงบและเพื่อดับกิเลสคืนนิวรณ์หให้หมดไปถ้าวิปัสสนาก็เพื่อให้รู้แจ้งรู้ชัดเจน ดาบกิเล ส, สวละเอียดคือสัง <c oughs> ดบกิเล ส, ส่วนละเอียดคือความที่กิเลสทั้งหลายนอนเนื่องอยู่ในกิจทันดานหรือผูกลักจัดทั้งหลายจิตผูกจิตไว้ให้พัวพันอยู่ในกิเลสกรมโทสะโมหะ เหล่านี้ไม่ให้หลุดพ้นจากอันนั้นไปได้ซึ่งเรียกว่าอนุสัยบ้างสัญชนดบ้างที่เรียกว่าอนุ <c oughs> สยั ย, ยคือเป็นกิเลสนอนเลื่องอยู่ในสันดานหนีไปยากจะอยู่แต่อยู่ในจิตใจของบุคคลและตัดทั้งหลายที่เรียกว่าสาัญญอด ก็คือหมายความว่าแม้ผู้มีสติปัญญาที่พอจะหาทางขับและปล่อยวางกิเลชั้นละเอียดเหล่านั้นแล้วเขาก็ไม่ยอ ม, มง่ายเหมือนกับมีสิ่งหนึ่งมาผูกรัดให้บุคคลนั้นที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของเขานั้นเป็นสิ่งที่ยาก จึงเรียกว่าสัญยชต์ทั้งหมดที่จะกำจัดได้ก็ต้องอาศัยเจริญในอริยมรรคมงคแปดหรือไตรสิขาให้บริบูรณ์จึงจะสามารถขจัดเครื่องมัดจิตของตนให้หลุดพ้นถึงทั้งามเป็นอิตระคือความ ร, รู้แจ้งได้ส่วนสร้างสามถะ การจัดนิวรได้ด้วยการพิจารณาธรรมตรงข้ามคือการมาฉันพิจารณาอาุภกรรมฐานพยาบาทเจริญเมตตาธรรมถีนะมิทะละเลิกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และความดีอุตจากกุจจักความพงซ้านเ น, นำคารเพ่งจิต่ณะรวมมันเดียวหรือเจริญมรณาสติ ระลึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนเพื่อให้จิตเกิดฟางผ่องแพ้ววิจิกิฉาใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงสงสัยสิ่งใดอย่าปล่อยทิ้งไว้หาโอกาสหาเวลาที่จะศึกษาเรื่องที่สงสัยนั้นให้เกิดความแจ่มแจ้ง ให้รู้แจ้งรู้เข้าใจรู้ตลอดจนฟาฟาความสงสัยนั้นจะหายไปรวมฟา์าแล้วการมาเพนสมาธิก็เพื่อปราบปรามกิเลสฝ่ายปริยุท ธ, ธ์ฐานคือกิเลสส่วนกลางได้แก่นิวรทั้งห้าดังได้กล่าวมาส่ววิปัสสนาก็คำจัดกิเลสอย่างละเอียดคืออนุสัยสั ญ, ญ, ญ์ ที่ผูกมัดอิดนอนเนื่องอยู่ในสันดานยากที่จะหมดลงไปได้ด้วยการเจริญอริยมรรคทั้งแปดประการนั้นก็จะทำลายกิเลสชั้นละเอียดนี้ไปได้พูดถึงสมาธิก่อนเพราะเป็นธรรมเบื้องต้นและท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลาย <c oughs> ที่เข้ามาอยู่ในที่นี้ ที่มีความรู้เป็นพื้นฐานปฏิบัติได้ดีแล้วก็มีที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานที่ดีก็มีแต่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติหรือจเจริญในสมาธิข้อนี้ก็น่าอนุโมทนาและตรงเคาะซึ่งกันและกันสมาธิแปล ว, ว่าความตั้งมั่นคำว่าความตั้งมั่นนั้นหมายเอาอะไรตั้งมั่น คือหมายเอาจิตและเจตสิกตั้งมั่นอะไรเรียกว่าจิตอะไรเรียกว่าเจตสิกความคิดความนึกเรียกว่าจิตและอารมณ์ของจิตเรียกว่าเจตสิกจิตกับเจตสิกจะเกิดขึ้นต่างจากกันและเกิดขึ้นอยู่ด้วยกัน จิตกับเจตสิกจะเกิดขึ้นด้วยกันดับด้วยกันถ้ามีจิตเกิดขึ้นเจตสิกเขาเกิดขึ้นถ้าจิตดับเจตสิกก็ดับที่ดังได้แสดงไว้รลวันก่อนที่ว่าเหมือนกับฐานติดไปแดงก็อนหนึ่งหาอะไรที่หยิบขึ้นมา ในรัทธิมีใกล้ๆของฐานแดงนั้นยังไม่ถูกต้องฐานแดงก็จะมีไอร้อนไอร้อนนั้นเหมือนกับเจตสิกเกิดขึ้นกับฐานแดงคือจิตจิตเหมือนกับฐานแดงเพราะฉะนั้นเมื่อเอาฐานแดงนั้นจุ่มลงในน้ำฐานแดงนั้นก็ดับเจตสิกก็ดับด้วยทั้งสองอยู่ด้วยกันและเกิดด้วยกันคือเป็นอุปการะ ให้รู้ให้เกิดความพลังซึ่งกันและกันในทั้งสองประการนี้แต่พึงเข้าใจให้หมดจดไม่ต้องไปสงสัสรวมเรียกว่าจิตความคิดอย่างหนึ่งความนึกอย่างหนึ่งความคิดถึงอดีตอนาคตในปัจจุบันในเรื่องราวต่างๆถ้าคิดนะสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของกุศล เป็นเรื่องของความดีเป็นเรื่องของจะทาให้จิตใจเกิดความสะอาดเช่นนึกถึงอาคุภะกรรมฐานนึกถึงเมตตาเหล่านี้เป็นต้นความนึกความคิดนั้นจัดว่าเป็นส่วนกุศลพึงเจริญและหมั่นทาให้เกิดขึ้นบ่อยๆถ้าความรู้สึกนึกคิดนั้นเป็นฝ่ายส่งเสริมให้นิวรณิกเดเกิดขึ้น เห็นเพลิดเพลินในรูปในเสียงในรสกลิ่นปล่อยให้จิตใจเพลิดเพลิน อ, อยู่อารมณ์นั้นอันนี้เป็นอาคุศลจิตที่นึกจิตที่พึงเพลิดเพลินนั้เนเป็นอาคุศลพึงละเสียปล่อยเสียวางเสียหรือกํามจัดเสียด้วยอาสุภะกรรมฐานเพราะกามฉันความใคร่ความพอใจในรูปเสียงกินรสเกิดจากสุภารมณ์ คืออารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามให้จิตนึกถึงสิ่งที่เป็นอสุภารมคือที่ไม่สวยไม่งามที่เห็นแล้วไม่น่าไคร่ไม่น่าพอใจในสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจในสิ่งนั้นก็จะหายไปอุปมาเหมือนว่าเราพบคนคนหนึ่ง พอมาระยะใกล้เราเขาก็พูดเสียสีหรือพูดดา่าโดยอ้อมทันทีครั้นเมื่อมาถึงตัวซึ่งกันและกันแล้วเขารู้สึกตัวขึ้นก็พูดดีแสนดีจิตที่ได้ฟังที่เขาพูดไปดีอาจจะเริ่มโกรธหรือเริ่มไม่พอใจแต่ครั้นเข้ามาใกล้เขาพูดดี ความรู้สึกที่ว่าโกรธนั้นก็หายไปเหลือแต่ดีให้เกิดขึ้นกับจิตของตนในลักษณะนี้เวลาเกิดความดีขึ้นจิตก็มีความสุขมีความสบายไม่เดือดร้อนไม่โกรธความสงบของจิตชอบอยู่กับสิ่งที่เป็นสุขจิตเป็นสุขในขณะใดด้วยอารมณ์อันใด สิ่งนั้นย่อมเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นด้วยความมีอารมณ์เป็นหนึ่งที่เรียกกันตามศัพท์ที่ว่าเอกขาตาถ้าว่าจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับนักเล่นกอล์ฟที่เขาทำหลุมไว้คนผู้เล่นย่อมตีลูกกอล์ฟ หรือโยนลูกนั้นก็กลิ่งไปแล้ววิ่งหาหลุมถ้าลงผิดหลุมอุปมาเหมือนภาวนาแล้วไม่สงบถ้าหากว่าลงหลุมก็จะนิ่งอยู่ในหลุมเหมือนกับภาวนาแล้วจิตสงบอยู่นลักษณะนคล้ายๆอย่างนี้จิตที่สงบแล้วมีคุณมีประโยชน์มาก ถ้าความสงบนั้นอยู่ได้เดี๋ยวเดียวมีชื่อเรียกว่าคณิกสมาธิคือสงบชั่วขณะถ้า <c oughs> ความสงบนั้นสงบได้อยู่เป็นพักๆ ก, <c oughs> ก็เรียกว่าอุปจาระสมาธิคือความสงบพินานยิ่งขึ้นในจิตผ่องใสฝ่ากันถ้าหากว่า จิตนั้นทะงหมแน่วแ น, วแนว่ลึกลงไปถึงที่สุดเึ่เรียกว่าภวังขจิตก็จะมีแต่เอกขตารมอารมณ์อันเดียวนิ่งอยู่จิตในวาระทั้งสามมีอารมณ์นิ่งอารมณ์เอกขตาเป็นอารมณ์ก็เพื่อให้อบกมจิตและเมื่อจิตมีเอกมีเอกขตาอยู่จนทํามนานแล้ว ใช้ความตระวกของจิตนั้นพิจารณาธรรมคือตัวเราเองให้รู้ตามความเปจริงว่าในตัวเรานี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเกิดมาเกิดมาแล้วจึงเป็นอย่างนี้เหล่านี้เป็นต้นหรือเกิดมาแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปก็รู้ตามควา ม, วามจริงก็คือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่ร่วมพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ทำไมจึงต้องแก่ทำไมจึงต้องเจ็บทำไมต้องตายก็เพราะสรีระร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นอาศัยรูปธรรมและนามธรรมาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยู่ที่ตั้งขึ้น เทืมไปจะลายไปเป็นไปในที่สุดเหมือนกับเราจุดเทียนขึ้นเล่มหนึ่งเมื่อจุดแล้วมันก็สว่างแล้เทียนมันก็ติดไฟไฟมันก็จิดที่เทียนนั่นรอเลี้ยงไปจนหมดไส้หมดเทียนแล้วมันก็ดับธรรมชาติของมันเมื่อจิดแล้วมันก็ไหม้ลงไป เหลือเวลาที่จะติดน้อยลงน้อยลงฉันใดทีวิทนี้ก็เหมือนกันมีเวลาน้อยลงน้อยลงทุกทีสมมติ ว, มว่าเรามีอายุร้อยปีเกิดมาได้ยี่สิ้าปีก็เหลืออีกเพียงเจดิห้าปีในวันเกิดอายุของเราอย่ตั้งร้อยปีเมื่อเราเดืเกิดมาแล้วใช้ไปแล้วยี่้าปีก็เหลืออีกเจดห้าปี ต่อมาใช้ไปอีกยี่สิบห้าปีเขาเท่าเป็นห้าสิบปีหรือข้างหน้าห้าสิบปีต่อมาเขาใช้ไปอีกวันคืนล่วงไปลงไปปีใหม่ปีเก่าปีใหม่ปีเก่าแล้วทึ้งเจ็ดิบห้าปีเขาเหลือข้างหน้าเพียงยี่สิบห้าปีน้อยเข้าน้อยเข้าจนอยู่ไปแปดสิบปีหลือยี่สิบปีจนอยู่ไปเก้าสิบปีเขาเหลือสิบปี อยู่ไปก้าวทีห้าปีก็เหลือห้าปีอยู่ไปก้าวทีแปดปีก็เหลือสองปีอยู่ไปก้าวทีเก้าปีก็เหลือปีเดียวอยู่ไปก้าวทีเก้าปีก็หกเดือนก็เหลืออีกหกเดือนอยู่ก้าวทีเก้าปีเก้าเดือนก็เหลือสามเดือนแล้วสัว้นเข่าสัา่นเข่าสั้นเข้า ว, าวเช่นเดียวกับเทียนที่มาจิดไหม้ไปไหม้ไปไมันก็ทําผ้าจะหมดจะมอดจะม้วย <c oughs> ฉันใดแต่รีระร่างกายนี้เป็นอย่างนั้น คือเป็นธรรมชาติถึงเราจะมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์เพียงใดก็าตามร่างกาก็ย่อมทุบทอนไปเป็นธรรมชาติถึงเราจะมีความไปอยู่อย่างผราสุโกโรคภัยแค้เจ็บเกิดขึ้นก็าสามารถแก้ไขได้ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะรอดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้เพราะความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นธรรมชาติ เราจะไปห้ามเขาไม่ได้เขามีธรรมชาตินั้นเป็นอย่างนี้เองคนในโลกนี้เมื่อหมื่นปีก่อนเขาเกิดมาก็ต้องเผชิญความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครที่จะป้องกันความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้เลยคนที่จะเกิดต่อไปหลังจากเราเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพั น, พ, นพันหมื่นปีก็ตามเขาก็ต้องประสบเหตุการณ์เหล่านี้ ไม่สามารถที่จะพ้นภาวะเหล่านี้ไปได้เพราะภาวะเหล่านี้เป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมเป็นตามความจริงของเขาอย่างนั้นเองที่ไม่มีใครๆไปห้ามเขาไม่ให้ให้เกิดความอย่างยืนไม่ได้เหมือนเราปรุงขนมหวานใส่น้ำกะทิน้ำตาลอย่างอาดิเรอร่อยแล้ก็พระจากนักขนมนั้นมาตั้งไว้ เช้าทั่วเที่ยงก็ค่อยๆเริ่มแปรปรวนพอมาเย็นก็แปรปรวนมากข้าพอข้ามคืนอีกคืนหนึ่งมันก็บูดใครไปทำมันมันบูดธรรมชาติของมันบูดเองผ่านอีกวันหนึ่งต่อไปมันก็เน่ามันก็เสียใครไปทำให้มันเน่ามันเสียมันเป็นธรรมชาติของมันเองกายนี้ก็เหมือนกันพยายามพิจารณามองกายนี้เห็นเป็นธรรมชาติ อย่าเห็นเป็นตัวเราอย่าเห็นเป็นของเราเพราะจะหากว่ามองวป็นตัวเราเป็นของเราแล้วไปยึดถือไว้เมื่อไปยึดถือมันก็มีทุกข์นะนี่เพราะเมื่อเวลามันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนเราขึ้นต้นไม้ไปก่อเอากิ่งไม้ผูกมันก็จะตกลงมาพอไปยึดถือในทิ่งที่ไม่ถูกชีวิตนี้ก็เหมือนกันไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขา ใละถ้าถุกมันไม่ยอมเป็นให้เรามันก็เปลี่ยนแปลงไปธรรมชาติอย่างนี้ <c oughs> เร า, เาก็จะเกิดความเศร้าโศกเ ส, สียใจและอาไลยอาวร์ยึดตัวเราเองด้วยผู้อื่นอีกด้วยทั้งตัวเราทั้งผู้อื่นอีกด้วยต่างคนก็ต้อ ง, ต, งต่างคนก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันต้องเสื่อมเหมือนกันไม่มีใครที่จะรอดพ้นไปได้ ถึงให้มีความรักความเอ็นดูความเมตตาความสงสารและความเป็นเป็นกันเองเป็นรูปเป็นหลานปานใดก็ตาม <c oughs> ไม่มีใครพ้นภาวะเหล่านี้ไปได้จริงอว่าเป็นธรรมชาติยิ่ในทางธรรมะก็เรียกได้ว่าเป็นสภาวะธรรมอยู่อย่างนี้ไม่สามารถจะพ้นอย่างนี้ไปได้กษัต <c> ร <oughs> ิย์องค์หนึ่ง มีความเสียพระทยมากเมื่อพระราเมื่อพระชายาคือพระราชินีองค์ที่สเสนหามากสิ้นชีพลงกระดัองค์นั้นไม่มีเวลาเป็นอันกินอันนอนร้องหม่มร้องไห้อะไรอาวรวันแล้ววันเล่าใครจะมาโปรดใครจะมาปล่อย ใครจะมาชี้แจงอย่างไรก็ไม่ฟังพอเข้าไปยึดมากเท่าไหร่ยิ่งถอนตัวยากเข้าไปถือมั่นมากเพียงใดก็ยากที่จะปล่อยให้คืนไปได้ <c oughs> ได้ทราบว่าเ <c oughs> ตนะบุดีผู้หนึ่ง ได้ไปถวายคำแนะนำต่อพระราชาว่าพุทเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังอยู่ในพระอารามแห่งหนึ่งไม่ไม่ใช่เมืองสาวัตถีพระองค์มีพระปีชาสามารถที่จะพอแก้ไขเหตุการณ์ในความเศ้าโศกเสียใจของพระองค์ได้ เพราะถ้าหากว่าปล่อยให้เกิดความต่อสกอย่างนี้ราชการแผ่นดินก็ไม่ได้ปฏิบัติและเมื่อนานวันมาเข้าน้าเข้าประเทศชาติก็จะเสื่อมโทรประตูอริรอบบ้านรอบเมืองก็ดูถูกดูหมิน่นอาจจะทำร้ายเอาได้ในที่ถูดพระราชาก็เสด็จพบองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงทำ ที่มีชื่อว่าอารัพพนิยะคาถาคือคาถาที่ว่าด้วยว่าด้วยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของเราด้วยคาถาว่าชราธรรมมังชริความแก่มันเกิดกันมันขึ้นของมันเองเมื่อมันเกิดเองเป็นเองแก่เอง ชลาเองใครจะไปห้ามมันไม่ให้แก่มันไม่ได้พยาธิทำมังพาธิ <c oughs> คือความเจ็บเกิดขึ้นมันก็ต้องเจ็บตามสภาพของความเจ็บอาจจะบันเทาบางสิ่งบางอย่างได้แต่ถึงที่ถูกแล้วมันก็บรรเทาไม่ได้ เมื่อความเจ็บมากเข้ามันก็องถึงความตายมรณะธรรมมังมิยิเมื่อความตายเกิดมาถึงขึ้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องเหนี่ยวลัง้งถึงแม้จะเป็นพระราชามีพระราชาอำนาจมาก <c oughs> ก็ไม่สามารถจะไปเดี่ยวลัง้งความตายไว้ได้จะมีพวกพ้องบริวารทรัพย์สินมากเพียงใด ในขณะนั้นที่มีมากมายเพียงเหล่านั้นสิ้นค่าคือหมายความว่าไม่มีพลังที่จะช่วยเหลือได้ในความตายขายิธทำ ม, มังขยิเพราะสิ่งเหล่านั้นมันต้องเสื่อมไม่พ้นจากความเสื่อมไปได้อย่าไปให้ห้ามไม่มาเสื่อมย่อมห้ามไม่ได้และนะสนธธรรมมังนะสิ มันต้องถึงฟา ร, รมสิ้นไปในวันใดวันหนึ่งไม่มีใครไปกันไม่ได้ทั้งห้าประการนี้จะไปขอร้องว่าอย่าให้แก่อย่าให้เจ็บอย่าให้ตายอย่าให้เสื่อมอย่าให้สิ้นห้ามไม่ได้ห้ามอะไรอะไรพอห้ามได้ห้ามสิ่งทั้งห้าประการนี้ห้ามไม่ได้ไม่ว่าใครทั้งสิ้นจะเกิดอยู่ในภาวะเช่นใดก็าตาม เพราะไม่ผ้นภาวะเช่นั้นเมื่อมีการเกิดเพราะสิ่งที่เกิดมานี้มีความแก่เป็นต้นมันมีผลจากความเกิดถ้าหากว่าไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่เจ็บไม่ตายและผลของความเกิดก็คือมาจากตัณหา <c oughs> นักปราชบัณฑิตผู้รู้ตามควา ม, มจรงิงมีองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงใคร่ครวญและพิจารณาจนรู้ต้นเหตุ เมื่อรู้ต้นเหตุแล้วจึงปฏิบัติให้จิตของพระองค์พ้นจากอาสวะกิเลสและสอนผู้อื่นให้รู้ตามแต่ชาตินี้เกิดมาแล้วมีรูปกายแล้วมีนามธรรมมีรูปธรรมนามธรรมแล้วก็ย่อมเป็นไปตามครองธรรมคือธรรมชาติตามสภาวะธรรมแล้วชาติหน้าภายหน้าไม่มีอีกแล้วเพราะว่าไม่มีความเกิดจึงไม่มีความแก่ความเจ็บความตายจึงมีคาว่า นิบบานังบรมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานคือตัดกิเลสได้ขาดหมดคือราคะโทสะโมหะยังไม่ตายก็มีความาสุขเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องร้อยรัดจิตของตนไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจกุ้มลุมอย่างหนึ่งอย่างใดคนที่พ้นจากทุกบางประการ พอพ้นได้ก็นึกว่ามีสุขเหลือเกินคนนักศึกษานักเรียนพอเรียนจบสอดได้ดีใจมากเหลือเกินเหมือนน่ะยกอะไรออกไปจะอกชาวนาทำนาได้เก็บได้เกี่ยวได้ข้าวปลาสมบูรณ์ก็ดีใจเหลือเกินดีใจมากและอื่นอื่นอีกนานาประการแต่ความดีใจความพาสุขของพวกเหล่านั้นไม่ยังไม่ยั่งยืนเลย ไม่ช้าก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปวันนี้เป็นสุขผูกนี้เป็นทุกขก์กาได้เพาราะความเปลี่ยนแปลง ไ, ไปโดยธรรมชาติเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่าชราธรรมโมหิเรามีความแก่เป็นพนรรมาาไม่ลวงพ้นความแก่ไม่ได้ที่จริงเราแก่อยู่ทุกวันทุกนาทีสมมติว่าเช้าตื่นขึ้นมานคืนนี้เรา ห, หลับไปคืนหนึ่งกี่ชั่วโมงก็ตามพอเช้าตื่นขึ้นมา เพิงเอากระจกรองส่องหน้าดูแล้วกเราขณะนั้นเมื่อวานนี้กับเมื่อเช้านี้จะต่างกันไหมก็จะต่างกันคือหน้าตายู่ยี่ยังไม่ผ่องใสท่านเมื่ออาบน้ําชําระร่างกายล้างหน้าล้างตาทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาดูใหม่หน้าตาก็เปลี่ยนไปนี่หมายความว่าอ น, นิีจะอนนี้จังมันเปลี่ยนอยู่เสมอ ไปทำงานเหนื่ อ, อไยไหลย้อยหนักมามาส่งดูหน้าดูตัวเราใหม่มันก็อีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนหน้านะเราแก่เราเกิดเปลี่ยนแปลงไปอยู่หลายแบบหลายอย่างและในที่ถุกก็คือแก่จริงๆความแก่มีสองประการคือแก่อย่างปกปิดและแก่อย่างเปิดเผยแก่อย่างปกปิดคือหมายความมาจากเด็กๆ เ, เป็นเด็กหนุ่มอันนี้ชอบใจ จากเล็กหนุ่มเป็นกลางคนด้วยกาลังแข็งแรงอย่างนี้ชอบใจจะพาพ า, าเป็นกางคนไปค น, ไปคนแก่เข้าเริ่มอ่อนแรงอย่างนี้ไม่ชอบใจพอนาข้าแก่ไปยิ่งกว่านั้นเป็นผูเท่ายิ่งไม่ชอบใจใหญ่มีเจ็บมีป่วยขึ้นจะตายไปก็ยิ่งไม่ชอบใจใหญ่ตอนปลายของชีวิตพ้นจากภาวะแห่งความเจริญในทางดีแล้วมีแต่แก่ลงแก่ล ง, แ ก, ลงแก่ลงทุกข์ วันทุกวันเป็นสาภาพของความเป็นจริงอยู่เหล่านี้ด้วยเห็นในความละเอียดของความแก่ด้วยเห็นในความเปลี่ยนแปลงของความเก็บและความเตอมไปของร่างกายมีอยู่เป็นประจำอยู่อย่างนี้ไม่มีใครร่วงพ้นเหล่านี้ไปได้ใช้ปัญญาพิจารณาไว้บ่อยๆเพราะฉะนั้นองค์ตัมเ็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้า จึงตัดสอนไว้ในปินญหาปัจเจเวขณะทั้งห้าที่เราสวดอยู่ทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่ไม่รวมพ้นความแก่มีความเจ็บไม่รวมพ้นความเจ็บเพื่อให้รู้ตามความจริงวัฏภาวะธรรมในร่างกายของเราเป็นอย่างนี้และจะได้ไม่ประมาทไม่มัวเมาไม่หลงละเลิงด้วยประการหนึ่งตจะได้ประกอบความดีให้เกิดมีขึ้นไหนเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก็ตายอยู่ในความดีตายอยู่ในความชอบตายอยู่กับภูสลเรียกว่าเกิดมาแล้วตายไม่ขาดทุนเพราะยังจะได้ไปเกิดในสุตกติอีกต่อไปส่วนทม <c oughs> ส่วนผู้ที่ไม่รู้ตามความเป็จริงทำความช่วยเกิดมีขึ้นก็ตายอยู่ในกองบาปแล้วเมื่อตายไปแล้วก็มีทุกข์เป็นไปในภายภาคหน้าอีกด้วยดังนี้เป็นต้น ผู้ใดรู้มีปัญญารู้จักชำระความประพฤติของตนให้เป็นกุศลเป็นบุญอยู่เสมอเรียกว่าบัณฑิตบ้างนะักปราบบ้างเรียกว่าผู้ฉลาดถ้าผู้ใดที่ไม่เอาใจใส่ในความเป็นไปของบุคคลและประกอบมิจฉาชีพเป็นต้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความประมาทนึกว่า ตัวเองไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่แล้วเมื่อถึงวันตายเขาก็ไมีมีใครช่วยได้เกิดมามาคนเดียวและก็ยังพอดีคือพบพ่อแม่พี่น้องแต่เวลาตายตายไปคนเดียวและไม่รู้จะเปิกไปเจอกับใครที่วันข้างที่ข้างหน้าเมื่อตายไปแล้วเราจะไปเจอกับใครถ้าผู้ที่ทาบุญสุนทานท่าน ก, ากล่าวว่า มีวิมานคอยอยู่ถ้าผู้ที่ทำบาปก็มีนรกในพบต่างๆคอยอยู่ลักษณะอย่างนี้เราอาจจะไม่เคยเห็นแต่พระพุทธเจ้าเคยตัดสอนทําใดสิ่งเหล่านั้นเป็นของจริงหมดไม่มีการคลาดเคลื่อนแต่ประการใดแม้แต่ชาวโลกในสมัยปัจจุบันก็ยังยอมรับคําสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้า ถึงแม้ประเทศชาติที่เขาไมา่ได้นับถือแต่เขาได้รับฟั ง, ฟงคำสอนนะก็เห็นว่าคาสอนมีเหตุมีผลย <c oughs> ่อมเป็นความจริกงการรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาอยู่อย่างนี้ข้าหาว่าพิจารณาแล้วจิตเกิดความสังเวชขณะที่เกิดจิตเกิดความสังเวชนั้นกิดจิตหมดความขนอง กิดหมดความใครในอารมณ์ต่างๆที่เคยมีถ้าหากว่าได้ภาวนาบทใดบทหนึ่งเพื่อให้จิตสงบ ก, ก็จะสงบได้ง่ายถ้าหากว่าจะใช้ปัญญาพิจารณาปัญญาที่จะเห็นแจ้งแทนตลอดก็เกิดขึ้นง่ายคือถ้ามุ่งความสงบก็ดับนิวร์ได้ถ้ามุ่งปัญญาในความรู้แจ้งก็ดับอนุสัยสันโยน์ได้ ถ้าหากว่าดับได้ขาดหมดดับไม่ขาดไม่หมดก็เป็นอริยะบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นดังนี้เพราะฉะนั้นทมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้ให้เห็นตามความจริงในสภาว่าธรรมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายย่อมมีคุณมีประโยชน์กับชีวิตของตนเองเป็นอย่างยิ่งพูดถึงเรื่องสมาธิในตอนต้น <c oughs> ในตอนต้นสมาธ บำเพ็ญกันที่เรียกว่าภาวนาสมาธิที่จะมีจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งถ้าถามว่าสมาธิมีกี่อย่างที่จริงก็ต้องตอบว่าสมาธิมีอย่างเดียวอย่างเดียวมันคืออะไรคือมีใจเป็นหนึ่งนี้เรียกว่าสมาธิแต่ขยายออกไปตามอาการของสมาธิเช่นสมาธิสองได้แก่อุปจาระสมาธิ และอปปนาสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นเป็นพักๆและจิตใจตั้งมั่นอย่างแน่วแน่หรือสมาธิสามคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิมีความสงบชั่วขณะไม่นานนักมีความสงบเป็นพักๆและมีความสงบอย่างแน่วแน่นี้ก็เรียกว่าสมาธิสาม และกระจายไปออกอีกไปได้มากมาย <c oughs> แต่รวมความก็อยู่ในหลักเย็นเหล่านี้ถึงแม้จะศึกษาไปก็ฟันเฟือบเปล่ า, าจำไว้เพียงหลักเพียงเท่านี้ไว้เป็นอารมณ์ในขณะใดาความสงบของเราเกิดขึ้นไม่มากนักก็เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตของตนเองในเบื้องตน้นถึงแม้ไม่นานมันทาบ่อยๆเข้าฝ ผ, ผลอบรมมากๆเข้าความสงบก็จะสูงขึ้นมากขึ้น แล้วก็กลายเป็นอุปจาระสมาธิก็ได้ <c oughs> พูดถึงว่าเมื่อเวลาเราภาวนาไปจะภาวนาไปด้วยบทพุโทโธก็ดีหรือบทพิจารณาคือเกสาโลมานะขาทันตาตะโจหรือพิจารณาว่าสตีระร่างกายของเรานี้ไม่เที่ยงสาริสตีระร่างกายนี้ มีเนื้อหนังหุ้มอยู่ในภายเนมีหนังหุ้มอยู่ในภายในมีแต่เลือดมีเนื้อมีเอ็นกระดูกเป็นไปเพื่อความชราและความตายตรีระร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาอยู่อย่างนี้พิจารณาไปพิจารณาไปก็จะเห็นความจริงธ้าสมาธิที่เริ่มจะเป็นขอแยกไว้เป็นสองอย่าง อย่างหนึ่งเป็นอย่างสงบไม่มีอะไรเพิดไม่มีอะไรผ่าดผลคือหมายความเมื่อภาวนาไปภาวนาไปลมหายใจเข้าออกจะเบาขึ้นและมีสติดีขึ้นใจยเย็นขึ้นสบายขึ้นแต่ว่าไปไม่สุดที่สบายอยู่เพียงเล็กน้อยและก็คืนกลับมาอย่างเดิมอีก อันนี้ยังเรียกว่าคณิกะสมาธิประการที่สองเวลาที่ฝึกคณิกะหรือยังไม่ผ่านคณิกะแต่ฝึกจิตใจอย่างเข้มขน้นนึกถึงอารมณ์มันหนึ่งอันใดไว้เป็นหนึ่งอย่างเดียวเช่นนึกถึงพุโทโธไว้เป็นหนึ่งอย่างเดียวในขณะที่หายใจเข้าหายใจออก ไม่มีสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องนึกหรือเครื่องนึกถึงมีพุทโธ ท, ที่เป็นเครื่องนึกถึงคือพุทโธมาเป็นอารมณ์และพุทโธอยู่ประอารมณ์ของจิตโดยมีสติคุมอยู่และการภาวนาแบบนี้อาจจะเกิดความสงบใ น, นหลายแบบหนึ่งค่อยๆสงบเกิยขึ้นและจนชัดเจนปรากฏกับจิตแน่วแน่อยู่ขณะหนึ่งระภักหนึ่งประการที่สอง ภาวนาไปจิตเกิดความสว่างในรอบกายของเราและกระจายออกไปรอบรอบนอกสามารถเห็นนั่นรู้นี่ต่างๆอาจจะพบบุคคลหรือสิ่งต่างๆก็ได้และจิตก็ดิ่งลงอยู่นิ่งอยู่กับหะไทยคือหัวใจของเราเป็นหนึ่งความสว่างมีด้วย ความเป็นหนึ่งมีด้วยอยู่ในจิตของเราถ้าลักษณะนี้ท่านสอนให้ดูจิตอย่าไปดูความสว่างเพราะว่าความสว่างนั้นเป็นของเทียมคือเป็นส่วนหนึ่งของอาการของจิตที่สงบนั่นเองถ้าเราไปดูส่วนอาการของจิตก็ไม่ได้ดูต้นเหตุของจิตไม่ช้าไม่นานความสงบนั้นก็จะหายไป เมื่อหายไปแล้วรู้ไม่ทันอยากจะหเห็นอีกอยากเป็นอีกก็ยิ่งกลับไปใยา่คือหมายความว่าเมื่ อ, อยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอีกก็เลยกลายเป็นกิเลสจึงเกิดยากที่สุดนี่บางทีต้องเป็นปีๆจนลืมไปจึงจะเกิดใหม่ท่านจึงกล่าวว่าเมื่อเวลามีจิจสว่างให้ดูจิตไว้เฉย เ, เป็นกลางคือเห็นอยู่เหมือนแต่อยา่ยาไปทำคัญว่าของเรา เป็นเป็นความสว่างของเราเป็นตัวตนของเราเป็นจิตของเราเพียงเห็นว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งดูธรรมชาติ น, นี้ที่สว่างไว้ว่าอยากเป็นกลางๆอย่างนี้ดูแล้วอยู่ได้นาน <c oughs> อีกประการหนึ่งความสงบที่เกิดขึ้นแล้วด้วยแสงสว่างนั้นถ้าว่าสามารถคุมจิตปด็นนานเข้าความสงบของจิตจะลึกขึ้นนิ่งขึ้น และอาจจะถึงอัปปนาสมาธิก็ได้แล้วแต่การควบคุมของจิตคนตนหรือในคราวแรกอาจทําไม่ได้และประคองระวังไว้ไม่ไปติดในความอยากให้เกิดขึ้นทําจิตไว้เป็นกลางอยู่เสมอภาวนาต่อไปในคราวใดภาวหนึ่งสมาธิย่อมลงลึกยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสมาธิย่อมลงลึกถึงที่ถุดแล้วความสงบนั้นเป็นเอกคตา และอุเบกขาไม่มีอารมณ์อื่นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณไม่มีปิติไม่มีสุขเป็นสภาวะที่นิ่งอยู่จิตที่อยู่ในสภาวะที่นิ่งอยู่นั้นยอมได้รับการอบรมให้อยู่ในความสงบอย่างปราณีตจิตที่ได้รับความอบรมให้อยู่สงบอย่างปราณีตนั้นนั่นเองเมื่อคืนออกมาจากสมาธิจึงมีปัญญาตามมาด้วย ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาเมื่อคืนออกมาแล้วจะทำให้เกิดความ ร, รู้แจ้งเห็นจริงได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านยิงกล่าวว่าเวลาจิตคืนออกมาจากสมาธิเป็นนาทีทองของการใช้ปัญญาหรือแม้แต่ว่าในบางวันที่เรานอนหลับสบายๆไม่มีอะไรหวันล้ายจิตใจผ่องใสตื่นขึ้นมาจิตใจผ่องใส ย, ยังไม่มีอะไรวุ่นวายเลย ก็เป็นนาทีทองของจิตเหมือนกันที่จะพิจารณาตัวนั้นขณะใดที่จิตสงบคล่องแคล่วดีแล้วจะภาวนาหรือไม่ไภาวนาบางทีสภาพของจิตเกิดเป็นขึ้นเองและเมื่ออยู่ตามปกติไม่หวั่นไหวอย่างไรแล้วดูความนิ่งของจิตจนกว่าจิตจะคืนกับอย่างเดิม คันเมื่อคืนอย่างเดินไม่ยังไม่ได้คิดอะไรจึงใช้ปัญญาพิจารณาตอนนั้นได้ปัญญาพิจารณาอย่าไปนึกว่าเห็นนู่นเห็นนี่คือให้รู้ตามความจริงว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่ตั้งมั่นอยู่ได้กายนี้ไม่ใช่ของเราหรือถ้าพิจารณาว่ากายนี้เป็นอสุภะภายในมีกระดูมีเลือดมีเนื้อก็จะเห็นชัดขึ้นกพรเห็นแล้วจะทำให้เกิดเบื่อละอา ห, หรือเบื่อหนาย เมื่อความเอื่มระอาและเบื่อหน่ายก็คลายความติดเป็นเหตุให้หลุดพ้นได้แล้วแต่กำลังของสมาธิกำลังของปัญญาดังนั้นการทำสมาธิในทางพระพุทธศาสนาหวังจะให้จิตผ่องใสจิตสะอาดและถือโอกาสที่จิตเป็นปกตินั้นให้ปัญญาพิจารณาให้เกิดปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอีกชั้นหนึ่ง การที่จะเห็นกิเลสชั้นละเอียดได้ต้องให้จิตเป็นสมาธิก่อนสมาธิถึงที่ถูดแล้วก็ยังไม่เห็นต้องเกิดความชำนาญในสมาธิและถอนตัวออกจากสมาธิมาอยู่ส่วนกลางว่างในขณะส่วนกลางว่างนั้นนั่นเองจิตควรแก่ปัญญาเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตา้ลักก็จะเกิดปรากฏเห็นได้ง่าย ในขณะที่จิตสงบอยู่ไปฝืนให้ตายรักไม่ดีไม่ถูกจะเป็นเหตุให้ไม่สงบต่อไปในวันหน้าคือในขณะได้จิตสงบปล่อยให้เขาสงบไปเรามีหน้าที่ดูอยู่เขาเฉยๆด้วยความมีสติแต่อย่าไปปรุงแต่งเขาให้เขาเป็นไปตามนั่นตอนนี้เราจะเห็นว่าเรามีจิตแต่จิตของเราไม่มีตัวไม่มีตน แต่มีเป็นสภาพทิ่ธรรมให้เรารู้สึกตัวได้ <c oughs> เป็นสภาพผิดธรรมรู้สึกตัวได้จิตนี้จะเกิดขึ้นด้วยส่วนรวมคือเมื่อตาเห็นรูปเกิดคว า, ามรู้สึกขึ้นเรียกว่าจักขุวิญญาณเรียกว่าเป็นคว า, ามรู้สึกไม่มากนะักทั้งสามประการเป็นเหตุให้เกิดผัสสะคือกระทบผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ มีอาการเป็นอย่างนี้ว่าไม่มีทุกข์ไม่ทุกข์เป็นเวทนาและความรับรู้ในความสงบในความที่เห็นสัมผัสเหล่านั้นเป็นวิญญาณตัววิญญาณ น, นั้นคือเป็นตัวจิตรูรปเวทนาสัญญาสังขานเป็นส่วนหนึ่งวิญญาณเป็นเป็นจิตแต่เวทนาและสัญญาสังขานก็เป็นนามธรรม รูปกว่าเป็นรู ป, ร, ปรูปรูปธรรมวิญญาณเป็นจิตและเจตติกอยู่ด้วยกันกับจิตนั้นถ้าหากว่าจิตนั้นพิจารณาอะไรปรุงแต่งอะไรถ้าเป็นกุศลก็เห็นไปทางทางสายกุศลถ้าหากว่าพิจารณาทางบาปก็เห็นไปทางสายบาปก็จะทำให้พึงพอใจในเรื่องบาสนั้น ไปทางกุศลค่อยพึงพอใจใทางกุศลเป็นไปทางกุศลเรียกว่าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิคือพิจารณาชอบถ้าเป็นทางอกุศลเป็นมิจฉาทิฏฐิพิจารณาทางที่ไม่ชอบผู้ที่พิจารณาไปทางที่ชอบทิ่ถูกต้องตามครองธรรมย่อมมีหลักธรรมให้จิตนั้นมั่นคงและเกิดปัญญามากยิ่งขึ้น จนสามารถที่ถึงที่ถดคือตัดกามาทวะภวาทวะและอวิชชาทวะได้ <c oughs> ดังนี้เป็นต้นพอเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในพระพุทธศาสนานิสนเรื่องสมาธิก็เพื่อให้เกิดผลคือปัญญาปัญญาท้องอาศัยมาจากพื้นฐานของสมาธิจึงจะมั่นคงท่านจึงกล่าวว่าถ้าเป็นมีดสมาธิเหมือนสันมีดหรือดัาม ถ้าหากว่าคมของมีดเป็นเหมือนปัญญาเป็นเหมือนปัญญาอันหนึ่งที่ว่า <c oughs> โยนิโสมนธิการกับจิตที่ต้องอยู่ด้วยกันนั้นทางสอนประการนี้กาะเกี่ยวร่วมกันอยู่เสมอท่านกล่าวว่า ปัญญาส่วนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในการพินิษวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้เราจะทําอย่างไรจึงจะสะดวกขึ้นครั้นเมื่อได้พิจารณาแล้วจึงทําเมื่อทําแล้วจึงตัดขาดจากอาสิ่งเหล่านั้นตัวอย่างชาวนาเกี่ยวข้าวข้าวมันเป็นเกาะเป็นกร อ, กอแต่มันก็แยกตอนปลายของต้นข้าว แย่ yeah, เป็นวงกว้างโยนิโสรวบเอาต้นข้าวไว้อยู่ในกำมือของตนในมือซ้ายมือฝาจับเคียวกระตุกกระชากทีเดียวต้นข้าวขาดต้นข้าวขาดเป็นส่วนของด้านของส่วนของปัญญาการที่รวบต้นข้าวเป็นส่วนของโยนิโส ลักษณะเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้ต้องอยู่ด้วยกันความรู้จักปรับปรุงดัดแปลงมีส่วนหนึ่งของโยนิโสปัญญาเข้าช่วยในชีวิตของเราเป็นอยู่อย่างนี้อันหนึ่งจิตที่จะนึกคิดพิจารณาอะไรนั้นมีตัวเจตนาเป็นสิ่งสาคัญเป็นตัวเจตนานั่นแหละเป็นตัวนําหน้าของจิต ถ้าตัวเจตนานี้ตั้งไว้บิดจิตก็ตามไปด้วยเป็นไปอย่างนั้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเจตนาก็คือตัวจิตนั่นเองถ้าเป็นไปอย่างไรถ้าเจตนาเรื่องโกรธขณะนั้นนาไปทางโกรธจะทาไปตามโกรธก็เกิดความเสียหายถ้าหากว่าเจตนานั้นยินดีไปทางบุญก็จะเกิดไปทางบุญลักษณะความเป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าจิตนี้ท่านจึ่งสอนให้รู้ตามความเป็นจริงว่าจิตนี้จากว่าจิตพองแผ่วหรือเศร้หมองจากว่าจิตไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานี่ในมหาเทติปฐานเพื่อพิจารณาความเป็นจริงให้รู้วาระตามความเป็นจริงไว้ดังนี้จึงรวมความว่าการทําใจให้สงบก็คือปราบพรามมารรายไดแก่นิวรณ์หรือกิเลสต่างๆให้เบาบางแล้วหมดไปและ บลูกฝังสิ่งที่ดีคือบุญเทพพยดา <c oughs> ไม่ใช่เท พ, พยดาตัวจริงนะคือเปรียบเพียบเปรีย บ, เ ป, ยบเปรียบบุญเหมือนกับเท พ, พยดาเปรียบกิเลสเหมือนกับมารร้ายเมื่อเราทําความดีก็จะทําให้เราอยู่กับเทพพยดาแม้ตายไปแล้วก็เกิดอยู่ในภพของเทพพยดาด้วยอย่างนี้เป็นต้นเจริญสมาธิภาวนายังมีอุปการะ คุณอีกมากมายเหลือที่จะประมาณไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่แม้จะทำอะไรผู้ทีมีใจเป็นสมาธิตั้งมันแล้วยอมสํมเร็ดด้วยดีสัมเร็ด้ว้ฟ้ามเรียบร้อยสํมเร็จอย่างงดงามสัมเร็จอย่างมีมีผลกำไรให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งด้วยอำนาจของสมาธิองค์สํมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจตุรูประอนุตตลาสัมมาธรรมปุริยาได้ความรู้พิเศษ เหนือชาวโลกข้างปวงไม่มีใครทำได้เหมือนพระองค์ก็เพราะได้อาศัยเป็นผู้ที่มีความชำนาญในสมาธิและฌานจนแก่กล้าแล้วนำมาใช้ให้เกิดปัญญาจึงเกิดความเขียบคมในการพิจารณาทำลายล้างผ่นันกิเลสอาเทวะต่างๆให้ขาดให้หมดให้สิ้นไป จนได้มารุ้พระโพธิญาณหรือพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและจดจาสิ่งเหล่านั้นแตกฉานเนสิ่งเหล่านั้นเข้าใจนิ่งนั้นโดยถูกต้องแล้วนำมาสอนทันตร์ทั้งหลายให้เจริญธรรมต่อไปดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปตั้งใจอบรมจิตของตอนเองให้เป็นสมาธิให้พองแผ้ว ทุกคนมีสิทธิที่จะสงบได้ทุกคนมีจิตที่จะเป็นสมาธิได้เพียงแต่ใช้ปัญญาใช้โยนิโสเข้อประกอบให้เหมาะสมและความเพียรให้มั่นคงกับมีสติให้มัน่นอย่าพลั้งอย่าเผลอทำคือจิตของเราอันส่วนพิเศษก็จะเกิดให้เรารู้เราเห็นและนำมาให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีตอนนี้ไป พึงตั้งจิตตั้งใจเจริญภาวนาอบนมจิตใจของตนเองให้เกิดความของแพ้วให้เกิดความสงบตามคำสอนของพระศ า, าสดาต่อไป